แบบนี้ที่เราหลับที่รถมาดูบ้านนาอ้อนเนี่ยพระอาจารย์มหาบุทองเนี่ยออกจาก่านไปอยู่ถ้ำป่าฟูมาดุนทีาบ้าทส่วนกัอยูบ้านหนาอ้อส่วนกันไปกันมาท่านกระดุมจักผมผมก็ยื้จักเชนมือเนมาออกมาเมื่อใดกระดุมไจักมันผมเลยเสียดเลยจับเล้อเนี่ยออกม า, ก, า, ก, า, ก, า, ก, มาก็เลยท่านมาลงน้ำเพชงอยู่ผมก็เลยไปลงนําเพช ลมน้เพ nah> ่นด nah> nah> nah> nah> nah> nah> ึกเดียวมพ่นก็เลยถือขึ้นยอดมีมูลไปบ้านนาโคประเทศบ้านอาโคพอดีประเทศบ้านอาโคกลับขึ้นมาพกำมะลมพ่นอีกฟืนมาลมพ่นพ่นเนือพ่นถามพ่นท่านอาจารย์เคยศึกษาปริยัตบ่กันพ่นนี่กับบ่บอกเป็นจริงอีกฟืน่ะปิดปิไว้เลื่อนมาแด้เล็กเล็กน้อยอะไจบหลักสูตรบครับทั้งขับบ่บอก เล่นเรนมาได้เล็กๆน้อยๆอะไรักตรงนั้นมีจุดประสงคอย่างไรเลยวะท่านประหาปฏิบัติกันมะเข้มมันคำเลื่อนๆอย่นี้ก็ได้ครับปฏิบัติด้วยมันคนนี้ก็ได้อะไรสกคิเลื่อนๆกันเ่ไม่ให้อจริงอาจังหนอกเขาว่าพ่านนี้ละเพาะูตอพงาผมบุเข้ายื่นสำนักน้อยชักเถื่อว่ารักตรงนันอ่านห้าเยื่สำนักน้อยมันบุเป็นสามเลยเ่อักลับมาดีขบักปฏิบัติเล่อย่างนี้แหละ ผมก็เลยบอกจังหวะให้เพิ่มผก็เลยให้จังหวะผมก็เลยบอกว่าเราต้องไปบินธบติเราขับเพิ่มคืไปบินธบาตมาเลียงภาในสามมื่อเนผมคิดในใจผมคิดถึงสภาพผมไปปฏิบัติธรรมะว่ามันถ้าตั้งใจจริงๆเรามันไม่หนานะสิถ้าเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นชิดย้อนถึงอดีตของผมมันนี พอดีตอนเช้ามาผมที่ไปบินธรรมะผมไม่ได้คิดตังแไหนอีกินเฮลิกับแต่หาเพินอีกินกรอนแล้วคื่ไปหาเพิ่นแค่กกลับไปถามเพิ่นเป็นงังไครับว่าท่นเปนกระลกวางทจับลกนามแล้ว่านถามที่จกักนะออาท่ารเรนาเป็นน้ำเนยังไงลูกนว่าท่นเราไม่เปินสหอย่างวาบนนี้ะเคล้ายๆคยุณบ้างคนที่จักกรบว่าทู้จักเอาได้นี่ะเ สังกันวะผมก็เห็นลูกผมไปนนังจอคออยู่ทุนนกันมผ้าสีกับนี่เหล่านไม่เห็นหัวอัศวิา น, นว า, น, น, น, า น, น, นผมไ่มีหัววท่านทเจแกคุณลูกโตผมผมผ้าสีกับคือนี่ล่ครับอยู่นเกันนังอยู่ทนเอาน้าเห็นดวงลูกรับวะให้จังหวะดงรูว่ฉันก็เลยให้จังหวะท่นทัางน่งลูนนกนามรับฉนก็เลยพู้จากเล นเพิ่ ง, ม, ง, งมีเงนเงินจากวัยเลยท่ที่ามีแผนที่ให้ันเดียไปท่นกับหู้จากลูกนามกับหั่นเลยกรเดียวพอดูให้จากรูกน้ำแล้วก็เลยเาพิ่เท่านั้นก็เลบินธบาดรไปบินธบาตแล้วก็คืนมามาหันจ้าหันจันหันแล้วผมก็กลับไปถามอีกทียื่นกันนานตกิดพยายามเล่ากับอยู่หันเพเข้าใจตัวรูนามครับ เขาใจก็เปลี่ยนลืนาเลยตอนเขาเะียเช่อลืกนางเท่านั้นนะเอาคันยูขวานนั้นเลยมาเป็นที่หมาบ้านด้ไหมครับที่หมาบ้านก็เลยมามาก็เลยไปมีเงินชุดไทยบ้านตักมาตายพระเจาไปเลยไปมีเงินเป็นเงินก็เลยไปสวดเงินสวดมนกันมันคนได้เงินมางินมาน้อตามมา มาฮอตบ้านโมโหที่มาปฏิบัติธรรมะอยู่ทีแบ้วัมมวนเลยไม่เข้าใจธรรมะอยู่ทีด้วยบัดเนีย่์ไมเข้าใจธรรมะอยู่ทีเพราอมีวาเอาละบัดเนียร์วะัันผม่พ่อวะฉันฉันมาชื่อมากระสู้เชื่อพีมากซู้พีบัดเนียววะฉันผมกันึกได้บัเดียรโอ้เราได้ระเบิดลุยงแน่นบัดเนียร์กี่เงนระเบิด ให้แตกหั่นไปแล้วแบบ น, นี้แล้วผมคิดอย่าอยู่หรือผมเล่าประวัติอันนี้มาเล่าประวัติเรื่มงี้ถึงเก้าเก้ามหากรรยมันไม่จะย้อนไปหาถึงเรื่องเรื่องอาจารย์แบบเนี่ยจะย้อนกลับหลังมันมาว่าเรื่องประวัติของอาจารย์มหาเปีเ่ ย, นเนยมเชี่ยนยตะกรรยเมื่อผมยู่นนำเจ้าคณะอเภัยเจ้าคาเนี่ยปรากฏพระผู้ใหญ่เสียดผมที่สุดผมเมาธรรมะ ต้นตัวการคือคือเจ้าคณะตำบลกำนันที่ในบ้านติดเอจศึกษาไม่นะไม่พอใจไเข้าใจกับปัญหาวิธีฟองรองนี่จอีกพระหลายท่านอีกทุนช่จนลองเจ้าคณะอำเภอก็ไ่พอใจอีกเยแบบนี้งไม่อาจารย์ก็หลายคนอาจารย์ท่วช่วยผนนี้ก็ไ่พอใจอีกทุนนหนึ่ผมยยว่าแต่เราหมากันเอะขี้วอกกัน สาธุครบาอาจารย์โมป็นอย่างทุกกะเลยมาติดต่อท่านอาจารย์มหาสิจันที่ที่บบขึ้นไปเป็นอาจารย์เดิมอาจารย์ผู้เทศให้ฝังเงป็นขันเลที่ผมเลยบดยว่าเรื่องการฝังเทศนี่เพราะว่าผมเราเมื่อเช้านี่มันเหี่วโพอผมตัดเอาตอนสั้นมันเนี่ยขึ้นไปทุกกะเลยไปหาเพนไปหาเพมก็ถามเป็นยังไงปฏิบัติธรรมเ ป, ป็นรักธรรมปีนาทีมันบะเมีนดอกมาคันหนูพ่อมาคัาน เเมินนะครับมันโดนเงนคือเพิ่มวาเท่าไหร่ครับถอดไปเมื่อเพิ่มเนี่ครับว่ผมจะตอบบางทีโดนเงีนโกงเพิ่มครับโดนเงินแท่าท่ดมันผิดเพิ่นเท่มันทือจะวอร์รังสรรกับต้นวานผิดเพิ่มเท่าไหร่ครับผมรับรองว่าเสือแม่ผิดเพิ่มเท่าไ่วะผมก็เลยตอบไปบาทีละแ้วาอย่างกันก็ไะเรียนปริญญาตะกอนกันต้นวานัะไปเรียนไหมเนี่ยปริญญาดิครับไปเรียนมาพอแล้วครับวะ กำถามเลื่องคำถามเรื่ยงเนี่ยคเราจำสั้นมันเฉียดว่าสั้นผลคำตอบอยู่ก่อนหนึ่งเฉีดครับผมรับรองว่าผมผิดเพรานอาจารย์ในแท้แต่ว่าผมผิดเพินน่มในเดีวนี้มครับว่าผมก็ตอบมีหลักสําคัญอยู่จุดเดียวผมว่าเรื่องอาการเกิดดับที่ผมเคยพูดมาให้ฟังกันมาบ่อยๆนะครับทุนที่จุดอาจารย์กเลิเกจี้ก็ผมย็เชืดอเพิ่ม พิ่งไปหาแจักเถื่อเพิ่มที่โฮธรรมะไปมันผมมันข้าเจ้าก็มัดตักพาที่นั้นในกระท่านอาาจรย์จนกระทั่งเมื่อนี้ไม่ได้ไปหาเพ่งแจ๊กเถื่อบมดเลยไม่ได้ไปหาเพิ่งจที่เบาเลื่งประวัติเพิ่งลองไปบ้านเพิ่งเพิ่งกลับเข้าไปกลับไปมันลูกสายผมลูกสายผมเอาเงินําเพิ่งลูกสายผมมันเชียด ทั น, น, น, น้นด่าพิานน้นตนามผม ม, มนไมเชียดธรรมดาเด็กน้อยธรรมดาปกติท่านอาจารย์มหาจิยานิจไกมานาผมโ ก, กเงินจักเถื่อจะสมัยผมเป็นเองอินยุคแมานาลูกชายผมเขาเที่ยวลู่เขาก็โบกเงินจั๊เทือเมืนั้นพระเจาชอไปนาลูกชายผนอีกตืนมันจักเอาเงินแปดสิบบาทก็เลยไปเ่อยู่ที่บ้านหลังนั้นอีกฟืนเขาเลยเอ้นเอ้นคือลูกชายผมนี่ พกไเฮือนะเพราะว่าลูผมมันมันเป็นเจ้าของหัวให้เราได้ไปมันเป็นคนเก็บงนอ้เอิ้เพื่อนรู้จักว่าเป็นเฮือลูกผมเพื่นไปนั่นขนาดไอเอิ้นเทนว่ากันเพื่นเข้าหูคนหนึ่งอ้าวบอเทียนนี่เป็นลูกเ่ยเพเทียนนั้นบ้าว่ากันเพ่นปนามผมไปได้ครับไปนาเฮือเพื่อนกับปนามไปเพ่นก็เลยคืบยังไงนื่น ตรงที่ิปู่นโน้นเขาเถียงไปแล้วบัดเนี้วาท่านัพก่อขอเลื่อนมันไปปลอกลอกให้หลวงพี่อบอกให้หมวงพ่อหมวงพอนะฮะอาจารย์เลยไม่ว่าทานจังฟังลูกผมพ่อที่ไรต้นมันเพิ่มตลก็นไอ้นี่กระเดยหลวงพ่อที่ไรอะไร้นหลงพ่อพ่อโตนะนะพ่อโตที่ให้ขับรถมันตลกคนอันี้กรได้ โอ้หลวพ่อพ่อโต น, นั้นะหลวพ่อเทียนน่ะ พ, พเทียนนี่กับพีพี่ไออาจารย์ีแล้วกันคพเทียนที่ได้ขับเราจะมันสเร็จอยู่ัะเอาพ่อโตนั้นะพ่อโตโอออออ ท, ที่ได้ขับไ่ดีพอเ่านหนงวาท่นเอาหลวงพ่อเทียนน่ะเป็นที่ไอของมหาสิจันเนี่ย่านให้ท่านกลับมาเรียนปริญาณกันหนึงก็ว จงหวคัะคันธน ด, ดูลูผมเคยที่บอกวา่าคันธนดูล้ว ก, ก็เลาไปว่าฉันเหมนนีลยบอกไปมางทีเนี่จะมาคือเรื่องผลการปฏิบัติการกับทาของผมมันไม่ทกลับมาเล่าเรื่องอาจารย์มหาดูต่อมายีกที่เหมืนอนเรื่องอาจารย์มหาที่อาจารย์เดินนะเราให้ฟังเล้เนี่ยเรื่องที่อาจารย์ด้วยใจทัศน์สุนเดียวนี่แหละเพราะว่าผมมอสเปนคนตั้งมือเป็นเชื้อแม่ในการปฏิบัติ ที่ผมได้ประสบ ก, กับอาการซึ่งเรามีมาผมอยากเอาธรรมะซึ่งเรามีออกมาเผยแพร่อยู่ใน เ, เราเป็นประวัตินต่างเมื่อพระอาจารย์มหามายื่นแบบนี้แหละพอที่ปฏิบัติธรรมะรู้จักปรมัิตย์เล็กๆน้นอยๆแล้วทันกวายันดาวัฏโทแบบนี้ก็ต่อไปเทศในบ้านแบบนี้เล็กน้อยก็ไปเทศที่นัน็กน้อยก็ไปเทศทีนี้เทศกันอยู่เรื่อยๆบัเดียวเป็น ม, มี่นองอยู่ในบ้านบุหงน ดังนั้นท่านอาจารย์มหาเนย เ, ยเป็นเปรตซุ้ยโดยมีการนิพิบัติธรรมะอย่างเข้มแข็งแต่ปฏิบัติธรรมะแล้วก็คงความหงจิตเรื่องเลื่องขึ้มาจำเป็นต้องอยากเอาไปเทศผมกับเกิดอยากให้ผีเพิ่มขึ้นผีซอยเพราะผลโดมีปริญญาโดยมีเนื้อผลุ่คคได้เหี่ยวหนึ่งือมีเกิได้ประศุบกระปากก า, างๆมาเท่านั้นกับเทศท่านเทศนี้ท่านบินไว นั่นบุหงด้านน่้นเพ่นดึงไหวคือต้ น, นไม้ไหวดีนะคนเกิดคึกคักขึ้นเจ้านายเขากส็สั่งเพื่อนได้สั่งผมแด่ไปเกี่ยวใบสุทธิอย่างที่เป็นเราให้มือออกบังเลยร้อกนกิบ้าจานกลางนัง่เป็นอย่างไรมาก็มาก็มาเขามีนู่นคุมคมพันมึงเข้าไปยู่นํามาจำทีม่มาปฏิบัติงามาที่บ้านอ้อนก็้ายคนปฏิบัติงาน คนแสดงหาการปฏิบการอันพุทธิมรรคธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่คนมาบวืดนี่คนมีจุดประสงค์อยากมาพุธรรมะอยากมาพูดถือในหลักการการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ้าหากคนเรามีจุดประสงค์อย่างนั้นผมไม่เหมอือนเลนึกว่าทุกคนจะเป็นพลังอังกฤษก็ตามเป็นเจ็บเป็นแก่ก็ตาม จเกกะเมื่อกระซ้าเบื่อเบื่อกระต า, ามาาปฏิบัติธรรมะได้แม่บบเดียวผมรับหล่อเสื้อแน่วาทัพพรทเจ้าบโกหกไปทั้งมั้นจนผู้หญิงผู้สาวปฏิบัติได้มักคนยึดานเนี่ยเมื่ อ, อยังมีชีวิตอยู่นี้ถ้าตายแล้วจึงเอานั้นเบื่อแหน่คิไป ต, ตน การปฏิบัติธรรมะนี่ถ้าปฏิบัติติดต่อกันอย่าให้ข้าวใสา่สักเพินสามเบื้อนี้ผมรับลองได้ย่างเติ ม, มเต็มหน่วยอ้าวหกสิบเตตจิตใจเต็นต้องเปลี่ยนหมดอย่างตาหัวอย่างย่างไหเนี่ครับถ้าอย่างตาที่จุดนี่แลหละตำราเขาบอกว่าเจ็ดตีเติมเพื่อเพรงยมจะใครจะหยับข้ออีกขึ้น ถ้าอย่างต้าที่สุดเนี่ยปฏิบัติติดต่อกันไม่ให้ข้าใส่จักรเชื้อเนี่ยผมว่คาคนจะไม่เกือสามปีจะได้ประสบอกวัญสุข อ, อย่างแทจ้จริงในหลักพุทธศาสนาเนีจะมีเงินลอยเงินพันเงนหมืม่นเงินแสนอาไปซื้ออขวัญสุขอันนี้ก็ได้ครับอขวัญสุขประเทศนี้เริ่มมีตลาดขายขายให้กันไดเป็น และเอาให้กันกรบโไดท่านจะเพียงการแนะนําเท่านั้นถ้าห้าคนแนะนํานั้นให้ไปสู้จุดอาบ ก, กระทจุดใดวันนี้จะกลับมาเลา่าเรื่องผนตรัจอาจารย์มหาอีิปุนทูนที่เรามาแล้วเนี่ยท่านก็เลยถามเถื่บาเมี่ยการปฏิบัติธรรมะในจุดสําคัญมันคืออันใดว่าจะเป็นวานสมัยทีบ้านอ้อนะบ้านเนี่ย กับผมเป็นคนโงครับไม่ได้เรื น, น, น, น, นองมือสื่อจำเจอนก็ต้องบอกสือมีพระอาจารย์มหากับทิศเกดเนี่ย เ, เรียเป็นพระนุ่นเาา น, นี่ยตุาหรงปู่หลักซื่คน้ะกับผมนีอยู่กันเ น, นี่ยถามมันมีจุดสาคัญอย่างไรดิเรื่องว่าอันฮาว่ากันเพราะพาุทธ้เจ้าตัดตรงข้างเดียวมีเงาว ้าสองข้อมือมือเดินเหงาตื่นจากเทื่อนนีด้วยทีม่มึงคุณริงเลยครับว่าอันนี้ได้เป็นตัวสำคัญมงคนคนเนี่ยมันต้องมีการเหนาตืงนเครับว่าเพิเข้าใจเลยลวา่าเทนี่ไงพระพุทธเจ้าตัดคนข้างเดีวยวนีล้วราเนี่อจะมันเป็นอันนั้นคุณเลยครับว่าสิลายคนกรธรรมดาคนทานันเมื่อคนรู้จักตำล้าผเนี่ยบอกตื่นไป มันอันนั้นที่ตังหากเลยครับมันขาดขาดเอาจจ ก, การเชื่อเนี่เพราะเลยเข้าใจเข้าใจเพราะเลยจับเอาเรื่องอันนี้แหละผมก็ได้ยินท่านเล่าให้ฟังจับไปถามเจ้าคณะอาเภอเชี ย, ย, ยาาษษงค า, งงงง า, งาเนเนี่ยมีามาคิดถึงทางธรรมเนีนยเ่าปฏิบัติธรรมาเนี่ยละกันฉันก็ยังยังได้ไหวใจได้โบกยังเ็นลูกจับคุณเนี่ยเลือจากนั้นต้องยังจับเรื่องอันนี้มาถาม พระคณนจังหวัดเลยที่คือทจริงนะทำเฉยๆบ้าอะไท่านถ้าเอาเรื่องท่านไปริพาดจาร์อะนอประวัติของท่านแทนี่อันนีงนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นผมจึงได้เคยพูดว่าเรื่องโลกโกดหลนเนี่ยมันนามวณจริงสาคัญถ้าหากผู้ใดว่าโลกโกดหลงนริงสาคัญนั้นถูกอยู่แก้มันถูกอยนอก เดี๋ยวไม่เหมือนทุกทีเลยนเลยเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมะทนไปอ่า น, นสุดตำลาหลักจูดนักธรรมท่านโผลเนี่ยว่าพระโสดาบันจะมาเกิดในมนมุษย์อีกชาติเมึองคือเอกะทีชื่อทนเลยนึกได้ว่าโอ้พระโสดาบันเขาจะมาทำงานบนนี้ด้วยตื่นทนืม เพราะงานมันดุแล้ววะท่นานพระโสดาบันจะมาเกิดในมนุษย์อีกเกิดเปินกีกขา้าศ์าโอ้พระโสดาบันนี่ก็จะเดิมาทํางานอา น, นีอีกเป็นนูเหตุเกลื่อจะเก็ดงานวะท่านเป็นคิดที่เดียวเอนมันมีพระโสดาบันวะท่านจะมาเกิดในมนุษย์อีกเกิดชาติโอ้พระโสดาบัน จะได้มาเกิดในมนมุษย์อิจฉาเมื่อจะมาทํางานอันนี้อิจฉาเืเ่อะงานนี้กจจิจกับสำเร็จไปได้ผมมีอันนี้ขึ้นมาเพระฉะนั้นเรื่องกับเรื่องกันเรื่องวิภากษ์วิจารณ์นีผมปราฏว่าะหมดซึ่งที่เราต้องการทําบุญให้ทานมันมันเป็นเมื่อรอจะสือเรื่องการทําบุญให้ฐานลักษาสิ่สงาายางใดๆก็ตามเป็นเมืออ่อรอ พอให้คนติดเราซะก่อนเมื่อติดเราแล้วเราจะเมื่อเขาได้เมื่อบอกเขาได้ทาได้คิดได้ทันที่เขาไวจะคิดมึงเราได้ดไดตั้งห้ามันมีเพียงแค่เดียวว่าพระพุทธเจ้าตัดผลขั้งเดียวเงาฮาสองข้อมือและไม่เงาอีกต่อไปและไม่ตั้นอีกต่อไป เขาเดินเสนอตัวนี่ปัญหามันจุดมีเลยพอให้เข้าใจรายลืเอีอาการเกิดดับโดยเฉพาะเน้นว่าชุดนี้มันเกิดนี้มันดับนี้หูได้ยินมันเกิดมันตึงเข้าไปจนจิตใจมันดับอันนั้นเขาสอนการยุ่งก่อนแล้ว่องนี้เขาสอนประยุก่อนโดยไม่จุดพระพุทเจ้าตีจุดอาจารย์อุอื่นทีมา ถ้าหากผู้ดใดไปซักต่อเก้าเอาคำสอนอาการเกิดดับที่แท้จริงนั้นมาว่าเป็นจุดนี้นันผมว่าคู่นี่กับกีต้าหมายศิษฐ์และอีกต่ไปนี้หากผู้ผมมาคงจะ เ, เป็นคนฆ่าผมอีกแต่เดีวยวหรือฆ่าพระพุทธเจ้าไปอีกแต่เดีวยวขันห้าพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ ถ้าเมวเวลเจสนาเมื่แบบ อ, แบบบแบบอกี้บอกเลยบบกบัดบอกเมื่อกันเถอทั้นนักมีความเจริญรักเมื่อมล่าวธรรมะอันนี้ยังเดีอวเท่านั้นจุดหมายปลายทางอยากให้คนเข้าใจธรรมะได้รับคนสุดที่ว่าเราเป็นสาวพิชเนั้นาะนั้นี่าพเดอได้เตรียมเพื่อนเพื่อนม เรืเลือเรื่องเดเื่อบัดเื่เลยนะมันเป็คำจริงมันไมเป็นคำต่อของคนเล่ามันเป็นเรื่องมากระทันตึเอิมนเขาเเลยมนับเเรื่องนแบบื่เลยตอเราลี้ไปตื้เพข่มมาโดยมากมาเยอะจนเตือนนี่ยมาจับเอาคํางคนเลาอันนั้นอันนี้ไปจับเอาไปตีจนเลือจนบัตรจนเไปอ่า หลายคนก็คทดกินแต่เหนือหลายคนคิดคนที่เขาตหาว่าผมบอกเลิเขคือว่าที่ตายติมหกคนนันจังหวะเรื่องจริงผมได้ได้เกียรติณาตั้งแเกิดมาผมได้คิดเกียรตนณาเมือผมมาดูดนี่ผมมีเกียรตินายังเวยที่มาว่าธรรมะอนธรรมะอใจฝังไีในใจผมเนี่ย ถามผูานักการเมือก็ได้ถามผู้ที่เคยยืน่นมมานานปีมาก็ได้คนนึกอยู่แล้วว่าถ้าหากวาลุ่งพระศาสนาเลือกคาสอนของพระเจ้านี่เมืงไทยนี่เข้าใจธรรมะดีกันแล้วคนยังยักเรืยนภาษาอังกฤษเข้าสีา่มีเด็กคนยักไปยักกับฝลัง่งคนได้ดยาเรืเร่องนี้อยูย่เท่าคนที่เป็นมืนอกางเกงแบบดำๆนั่นะ่ะช่อ ดำๆนั่นไปเว้ากับอเมริกากับก๊อแงเนี่ยให้ผู้พิารณาปฏิบัติธรรมะเป็นที่ที้เขาไปจุดเดียวเท่านี้ไปทำงานกับอันี้เท่านั้นอาจารย์เป็นคุดอยู่นะเพราะพวกนั้นเป็นนักปัญญาชนควคิดมาเตราะว่าคงจะเข้าใจเลยเมื่อก๊อลังเข้าใจแล้วเป็นอย่างที่จุดอุจจาระเพลิงละเพลตนั้นจะไปอนเจ็กจะทำบันียจะ ส, นนจะสอนคนกีนเ น, นื้อตามเนียกินเลือเป็นผ้ากจนเนื้อตน มาโบกเกอถามมือมือผมที่เคยจะยืน่นมาเพิมเพได้ตั้งสังเกตจังที่อยู่โดยศยกระเชื่อเลิกการเลื่อกการศึกษานี่มันไม่สาคัญเื่อเดยครับการเลื่อนการศึกษ า, านี่ไม่สาคัญเห็นว่าเจ้าของบวชมาซีและเจ้าของได้ปฏิบัติหลักพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วนั้นถูกอยู่ถูกเผียงแค่ส ม, มุดโดยมันถูกเมื่อแท ทัานห้ามมีเพียงแค่นี้ครับเท่าที่ผมคิดมาอยู่เป็นเวลาหลายมีหลายวันหลายปีหลายเดือนที่มายุ่เรื่องกันเนี่ยเรงประสุดกับอาการการปฏิบัติธรรมะนันเราให้อุบาอาการลุยอม่ออกก็ออกตื่นฝันฝันนี่จะที่ว่าพอสมควรต่อไปนี่ก็จะโยนเรื่องอารมณ์การปฏิบัติธรรมะตมะ่อไป เพนั้นการปฏิบัติธรรมะเบื้องแรกจำเป็นต้องให้จังหวะเจ็บมือเข้าเอามือออกเดินจนโอมให้รู้จักรู้นามเบื้องแรกรู้นามมันติดกันอยู่เสมอไปใหารู้จักรู้นามแล้วก็ต้องให้รู้จักรู้ธรรมนามธรรมรู้โลกนามโลกไม่รู้จักรู้ธรรมนามธรรมรู้จักรู้ลกนามโลกแล้ว ให้รู้จักทุกขังอนิจจ์อนัตตาเกิดบังเมื่อรู้จักทุกขังอนิจจ์อนัตตาเกิดบังเราให้รู้จักตัวนี้สิ่งที่สงมุติขึ้นในโลกที่เราตึกกันด้วยลัตถุที่วันนี้แหละสิ่งที่สงมุติทุกอย่างให้รู้จักให้เพื่อถึงเมื่อรู้จักสมมุติอย่างทั่วถึงแล้วกุดตรงให้รู้จักหลักที่พศาสนากับศาสนา พัฒนาคือนหนังพัฒณะคือนังและให้ให้จักบาปบุญในนี่เลยรู้จักจุดนี้แล้วเราต้องแมกันให้เบิ้ลคิดซ่ีเขาไปหาคิดเลยบัดเดียวมันคิดท้ายกสาซังคิ ด, ดาามีกาถามมันคิดเรื่อยเรื่อยมันกำลังคิดเมื่อเลื่องามไม่ไม่มีกำลังคิดคุนคิดตร ง, งขึ้นเลย ผู้นั้นผูนี้ค ja ิดโดยหยุดโดยถอยแม้มีคนผู้สามาจะุกเถียงคนนั้นคนนี้ได้มีเป็นเป็นเมตตาจตโนมเป็นตัญญาของจตโนมเกิขึ้นกับจิตใจของเราเดิมแน่ตัวจริงตัวจริงในแท่นั่นเพียงต่ว่าัญญาของจตนาล้ลุ่มนามทุขังอนุจังอนัตตาพิจารณาหาใจคิดน เราเี็จโลกเป็นนามเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นนาคาเป็นเกิดเป็นนับโลกทำนามทำโลกโลกนามเลกโลกสมุเติฉะนั้นทุกคนจึงเป็นธรรมะเมื่อด่าตังกะด่าธรรมะเมื่อด้าตังกะต้องด่าพระพุทธเจ้าเมื่อด่ากังกาต้องด่าพระสงฆฉะนั้นท่านจึงว่าโยอยากด่าไส่ทั้งหมดที่มีเดี๋ยวมันนด่าผปกนด่าพระพุทธเจ้าเลย ทุกคนไี่สามารถมีพื่อหรืมีเสืออยู่ถ้าหากทำจริงๆแล้วสามารถที่จะ อ, ออกศึกออตจาเธอความศึกที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นันเรียกว่าสัจจะสัจจะของพวกเรานี่ว่ากับสัจจะพระพุทธเจ้านั้นต่างกันสัจจะของพวกเรานี่คันทิดไปบ้านกันตรงเไม่มี คันจยกไตยยงเสียสัตว์จำจนต้องใส่อนุสัจจะของตนอนุสัจจะของกเราคันได้ไตที่เสียศีลเมื่อคันสัจจะของใเขาต้องเปลนทงสังมือมือคิดจบ้านหัวพุงคันโยกไตบ้านหัวพุงมือิดเสียสัตว์ิเสียศีลเมื่อคันสัจจะของพกเราต้องเป็นทางเพียงกินสัจจะพระโพิเจ้าโดยได้เกิดเมื่อคันพระโพิเจ้านี่ผลมีผ่านเมื่อใดเราจะไม่ท้อถอย ต่อการกระทําหรือต่อการตรัสของเราถึงจะตายก็ตามตาั้งมันเพราะเจ้ามีสัจจัยจังที่ตอนั้นสัจจัของพวกเขาไม่กับปัจจัยของพระเจ้าเหมอือนกันตั้งทำชนการกระทําต่องพวกเราก็เช่นเดียวกันพระเมรุและเนื้อขาวมันออกพอออกทีอออก่ยื่นเรื่องน การปฏิบัติธรรมก็่เหมือนกันผมก็สังเกตเ่นอยู่บางคนก็เอาได้บางคนก็พอไปพอมาบางคนก็รู้สึกเหน่อยแล้วเธอคิดหมายเธอโดนอะไไปจนโลกอันนั้นจนโลกอันนี้เธอวอ่าเก็ดอะไรกันเมอไปนี่นะเมืเอาจิตดูจิตเข้าไปนี่เราไปประสบ อ, อกกับธรรมะแบบนี้จิตใจเราจะสบายขึ้นมา ถ้าหากเรามีอารมณ์จจอยู่นั้ในให้จับอารมณ์นั้นไหลลดคันเมื่อไปทิ้มอารมณ์นั้นคิตยิบลาดแต่ดีทิ้มอันนี้บททิบลาดมีอยูออ่สอง บ, บทบ่อนจิตใจจิตเที่ยงจับควรเป็นกุลุศนเข้าไปช่วเที่ยบเดือนให้จิตใจเทียงเนี่ยนี่กั น, ก น, น, น ย, ยิตลาดผมเข้าใจอย่างดีแกไปเมื่ออาการเทลบดับของเราจิตติตตะศบเอาเพื่อ ถ, ถงงานมาเมื่อตีเหนือพระพุทธเจ้าตับผมขั้งเดียว ไม่ยาวอีกนี่จะต้องมีวิตราตมีวิตราตอี่สองอย่า ง, างนะตัวย่างน่ะมันเท่าตัวท้ายย่งางโตเข้าไปดินแดงเนี่ยเด่นหะนักปันไห น, ร น, น เ, เรื่อตนิพนมนั้นเมื่อรู้รู้นามนี่เป็นอลลรรารมณ์ของนิพพานมฉะนั้นคนได้ฟังธรรมะครบาอาจารย์ทุก อ, อ่ทุกเ อ, อ่เคยได้ไปสู่อสนักหลายสนักไปติดใจตามอาจารย์ต่าง เมื่อผมเข้าใจธรรมะอันนี้แล้วนะเจ้าผมเลือดมาแล้วนิดแบบนี้ฟังดูเพาะหัวทุกเองแน่นที่เองวิถิจางเึงแล้วตัวนิสัยอาจจะสอนไปใครมีความรู้ย่างไหนต้องสอนไปอย่างนั้นใครทำงานไปยังไหต้องสอนไปอย่างนั้นแค่ผมนั้นวิทีพิทธเพคผมก็ได้ทำมาวิถีอรหังผมก็ทำมาวิถีความยด ผมก็ทำมาถ้ามาทำวิธีตีนี้นี่แหละผมก็เลยมาตัดขมยายของอาจารย์ออกเพก่อคือเพียงเอาตป็นมือศเมื่อรู้อันนี้แล้วมันลับกลุมัดบางครั้งผมเข้าใจอย่างซึ้งทีงผมได้นำเรื่องวิทีทุกเอมาสอนและได้นำเรื่องอลหังมาสอและได้นำเรื่องของมือมาสอ คนยัาเนื้อนำจะย่างเดียวเท่านี้พอมมันรักกล่นที่เดียวกลิ่นั้นที่ติดย่างกระทันหันแล้วกันทุกคนต้องประสบเอาได้จริงจริงกันจะเลือแบบเนี้ยเหมือนดั้งดำดินีไตเนี้ยเพ่ขึ้นถึงเทศเลยบาดเดียวอคนที่เป็นคนไม่ที่เปรียบยังอย่างนี้เรเราขึ้นเครื่องยิงที่สนามบินมีตะลงปุ๊บสนามบินที่ถึงเทพดอนมองขึ้นบาดเดียวแล้วกัน ลำเลออย่างนี้ฉะนั้นที่ผมอยากอยากเล่าเรื่องนี้ถ้าให้ผมเล่าเรื่องนี้เน่ยเบยถ้าเลาเรื่องอื่นเนี่ยเบ่ถ้าเลาเรื่องนี้ให้ผมเล่าเท่าไหร่ก็ได้เาผมชอบผมมักจะมีเงนมีทองนั่งกับดีอยู่ขัดขามแต่ป็นจุดกระเทือนเรื่องเนเรื่องทองนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่ควรจุดเรื่องนี้นะมันเป็นอีกเรื่องนึง ถ้าจะคิดน้ำหน sheet, ักเงินล้านบาทมาซื้อเอากลุ่มสุขภ e พนี่ขายซะอยากจะเอาซต้อยเรียเท่านั้นแบบจะอยู่เอาแล้วทีเอามาใหยั่งเงินล้านบาทนี่กลุ่มสุขภพนี่ผมวามันเี่เงินล้านบาทชีวิตคนตนนี่ผมว่าผมไม่เคยกลุ่มสุขอพนี่ผมตัวเลื่อนเสื้อใส่ทั้งนึกเจอผมรับสั่งกูบาาั่งต่อหหน่ผมรับสังนึกทุกกลุ เม่จะเป็นหลุดเงินน้อยมาสอนผมก็รับสังเื่าเทียมก น, นันเป็นละเมดเราเรื่องผิดโดยที่ผฝังจู่จู่ผมรับฝังจู่จู่เท่าเมเดคารผิดทุกเป็นเรื่องของพวกเรถ้าหากรเราโมนบอกกระโดตั้งศึกษาตามปกติจะโมนจะต้องมาแย่งเมดทุกคนคลียร์สลาดมาที่มาตามหลัง เมื่อห้าคนเมี้ยเดกเกิดขึ้นแต่ล้คนตลาดเดินชนนึกได้อย่างทีภาวะสมัยเป็นจนเงินกูบาจ่ายจอฮะเฮ็ดเต็มทุกอย่างถ้าคนตลาดเลยชก็เป็นเงินเ็ดอย่างนั้นเป็นเฮ็ดต้งเจสมัยเป็นจเงินเฮ็ดแบบมีเงิเออชนนึกเลยที่ได้ติดข้าวันนี้ชนที่ด้เป็นผาเถลอะที่ไหตทนี้บางทีอาจจะได้เป็นเจ้าคณะจํเรืนเขากระจนไหบางทีชนก็ได้เรีน นักทำชีทำเททำเอ็กชอบตะเรียมได้ก็ยังมีเพิ่นอาจารย์มหาวิทยาลัย ไ, ได้ครับผมอบอกเพื่อขังภาพผลเดียวต้องตัวเพิด้วยสิตภาพตามเนี่ยนี่แหละความงัตขคนมันต้องมาก้อนทุกคนทุกคนไปควรติดล่าขึ้นมาตามหลังควมผิดมาก้อนว่าทั้งแต่ขับไปได้ควรผิดต้องขึ้นมาตามหลังเ ม, มื่อคนรู้จักงควรผิดอยู่แล้วเวรผิดฟ้องให้หนึ่ง เมื่อรู้จักทางก้งข่มผิดและข่มถูกต้องทั้งสองอย่างนี้จึงหรืเปล่าจนมัตติมาปฏิปทามัตติมาปฏิปทานั้นเดินทางเข้าไปที่จุดีอกว่ารู้จักจุดนี้แหละมัตติมาปฏิปทานราท่าเดินทางายกลางรู้จักจุดที่สุดของมันนั่นเลยเป็นจุดนี้และเป็นมัตตมาเาจึงว่าบ่บ่ผิด บอาากถูอาจารย์เอลเลนบอกก็ว่าถูกคณมัติมาปฏิปทานี่เปลว่าผนเล่าของผมไม่มีผมไม่ได้เล่าของผู้อื่นไม่มีผมไม่ได้ยื่ปฏิญาตเมื่อไปถึงจุดอาการเกิดดับนี่แหละเจนมัติมาปฏิปทาบอกว่าเดินเข้ามานี่แล้วึกเต็มเอา น, อนี่โหลหนอนี่เนาะจุดเดียวพานี้เนาะ แปดหนึ่งต0 0พันพนมคันเรียนมึมาตู 1, 9, ้จ um ุดเดียวเท่านี้ผู้กเรียนึงตีได้ก็มาตู้จนี้เรียนึงตีได้ก็มาตู้จุดนี้เี่ยนึงได้อย่างควงแค่ก็จะมาทางานอันนี้เี่ยนึงีได้เป็นจ็คตก็จะมาทางานชู้จุดเดียวเท่านั้นนะครันกัหาของมันเท่านั้นนักปฏิบัติทุกคนจงพยายาม ถ้าให้เลือกอมาแล้วต้องมองจิตใจมันคิดยังไงก็จะเอาไปอารมณ์ไปป่อไปเนื่อเอาสไปดูดีดูเสมอไปจนกลัวที่จะเข้าใจปรามาัดใดเมื่อเราเข้าใจปรามาัดเรยจิตใจของเราจะเตือนเองนรอกไม่ได้บอกใครหอกเมื่อมันจิตใจเตือนแล้วผมจะไปถามผมเคยถามท่านอาจารย์หลายท่านและตลอด เป็งสมาเนินและโยนผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเ้าจิตใจเชื่อนเข้าไปถึงประมาทขั้นแระผมไม่ถามว่าเป็นยังไงเ ข, ข้าใจปตะมาทหรือเข้าใจจิตใจเคลื่องไปเด็กเชลื่อนไปน้ำหนักของตัวเจ้ามีกิ่กิโลนียาวขึ้นกี่กิโลบางคนกขาบอกขึ้นไปแล้วห้ากิโลบางคนกอขึ้นไปสี่กิโล เป็นทานเป็นวิธีการอะครับเป็นพระได้ไหมเป็นไดเป็นเทวดาได้ไหมเป็นไหนคูกได้เป็นการปฏิบัติถูกคำว่าคูกนี่นับหลงได้เรองไหนวะคูกแพราะเป็นลกคือเป็นเงินคือตี่กียบจิตใจเป็นตวเป็นลูกรางหาสิ่งนี้ได้นี่คือว่าการเป็นพระนั้นมึงเรื่องให้เรื้อนี้เป็นพระก็นมุขก็จะไปทิ้งเอาไว ถ้าเราทิ้มอันนี้ัวแล้วเหมืนกับเราทิ้เข้อเที่ยงทีแก่ไปดีโดยมีข้อเที่ยงเกิดไปให้ข้อเที่ืงอันที่ไปคอยกินข้าสุก้านเดียวนั้นมีเข้อตืี่ยงระดหน้านีขนหนาโดได้เลือทุบกวาแเลีงกาต่างผลิตอะไรล้าต่อต่างดึงข้อเที่ยงเราแล้วกันมีเข้าวสุกกินจ้ทําำกินข้าสุกหมดแล้วกระดึงข้อเที่ล้กินข้าเที่ยงเม่รู้ตายคำแบบนี้ แม่ตั้งหาอันนี้ให้ยากเลยเมืทุกคนที่มาเราทำมาให้ฝั่งมูลนิยมเล่าประวัติที่การปฏิบัติธรรมมาลลเลยไม่กล่าวเรื่องลิขิตนิยมที่ปรลาดให้ฝังทุกคทุกคนชื่นพยายางตั้งหน้าตั้งตาเป็นเวลาของเราคือเราปฏิบัติธรรมอีกทีนึงเพียงทุกวันเท่านั้นแหะยันที่ห้า น, นั้นพวกเราก็จจะเริ่มเลิกลากันไป อ่าฮ่าคใดยังมีข้อทายอยู่เพื่อมันนึงปฏิบัติมันกันไปจะได้ตัวนึงรู้สึกหากันปฏิบัติคือเมื่อทุกคนในโลกเราปฏิบัติให้เมื่อไหร่นกระทั่งที่อนุทนาเบี้ยวเอาเท่าที่เราันาดังไม่ก่อนว่าพอสมควรจะมีการไปที่นั่นเลอ่ะ